ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็ใครจะหยิบเอาจุดเด่นในเรื่องพระเวสสันดรมาเป็นแนวในการศึกษาพิจารณาโดยอีกวิธีหนึ่งคือหมายความว่าเป็นการเรียนรู้จากตัวตนของบุคคลจริงๆที่เราเรียกว่าปกาุกลาติฐาน คือการศึกษาคําสอนในพระพุทธศาสนานั้นตามปกติแล้วเราจะมองไปที่ความจริงสามด้านใหญ่ๆคือด้านประวัติศาสตร์เรียกว่าปัญหาข้อเท็จจริงในแง่มุมของประวัติศาสตร์ปัญหาข้อเท็จจริงในแง่มุมของธรรมะและปัญหาข้อเท็จจริงในแง่ของปาฏิหาริย์ซึ่งหมายความว่าทุกข้อจะต้องอธิบายได้ แล้วก็มีความสมเหตุสมผลอยู่ในตัวของมันแต่คำว่าประวัติศาสตร์นั้นมันได้ซ่อนอะไรไว้จำนวนมห า, าศาลเลยทีเดียวก็แล้วแต่เราจะหยิบสวยในจุดใดขึ้นมายกตัวอย่างสภาพสังคมของเชตุดอนหรือว่าแคว้นสีผีเนี่ย เราเห็นว่าก็มีเพื่อนบ้านใกล้เคียงคือแคว้นกาลิงกา ร, ราศหรือโอริสสาในปัจจุบันแล้วแคว้นของพระเจ้าเจตราชก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เรืเคียงกันพระเจตราชนั้นก็คบหาสมาคมกันในฐานะเป็นมิตรเป็นสาหายจะถามว่าทำไมเป็นมิตรเป็นสหายก็ เ, เพราะว่า คนเหล่านี้เคยทำบุญร่วมกันมากับพระเวสสันดรแล้วก็ปลกพันกันในแง่มุมของสังสารวัตแล้วก็กระแสของกุศลกรรมทีนี้ในเชตุดอนเองไปการอย่างเดียวกันเนี่ยคือช้างปัจญยานาคที่เกิดต้องให้ไปช่วยเหลือในแคว้นกะเลงกระร ซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติแม้จะไม่พูดเรื่องบารมีเลยเนะคือคือไม่ต้องพูดเรื่องบารมีแต่เราพูดในแง่สังคมพูดถึงแง่ของสัมพันธมมตรีระหว่างประเทศพูดถึงวิธีสบายในด้านที่จะรักษาความเป็นมิตรเอาไว้เนี่ยก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องทั้งหมด แต่ว่าความเป็นชาติบ้านเมืองที่จริงมันก็เหมือนกับหน่วยย่อยเล็กๆไปในครอบครัวเนี่ยคือถ้าคนภายในครอบครัวพูดเกิดไม่รู้เรื่องเรื่องเดียวกันเนี่ยมองกันคนละมุมแลในสุดมันจะเกิดขัดแย้งกันเดง n ภายในครอบครัวเพราะประเทศชาติเป็นแบนแควนดินแดนทั้งหลายมันก็มีลักษณะอย่างนั้นใกล้ๆกับครอบครัวคือประเทศสันดอนเนี่ย ท่านมีวิจารญาณที่ไกลที่สุดในเรื่องในเรื่องพระเวสสันดรเพราะท่านเป็นพระเอกพนคนเป็นอันมากที่ไม่เข้าพระไถยแต่คนที่มีความชัดเจนเนี่ยเราลองสังเกตคือพระเจ้ากรุงรีพีพระเจ้าสนชัยนะพนามัตสีแม้แต่กัรหาชาลีตรนี้จะเข้าใจความคิดของพระเวสสันดรได้ตลอด แต่ว่ากระแสสังคมที่มีการปลุกระดมลุกมอบทั้งหลายเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งเพื่อคงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวเอาไว้ส่วนใหญ่ทางบ้านเมืองคือทางผู้ใหญ่เองก็จะต้องยอมคล้อยตามระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่ารอให้มอบมันกับเลือกเสบสารจนไม่มีกฎเกณฑ์อะไรนะแต่ว่าเขาจะ เสนอในแนวที่ถึงกระฆาเนี่ยท่านไม่ยอมคือกรคฆาเนี่ยพระเจ้าสนชัยไม่ยอมแต่ถ้าขับมันก็สามารถที่จะลดความรุนแรงได้แล้วในแง่ของวิเทโสบายมันก็จะทมให้แคว้นกลิงกระราชเนี่ยมันมีความรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของแควนสีผีมากยิ่งขึ้นพะเสียสละ ให้เขานประเทศตัวเองเพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยมันผูกใจประชาชนไว้ได้จำนวนมหากาแต่ในการต่อมาเราก็รู้นะว่าช้างาก็มาคืนนั่นก็แสดงถึงวิจารณญาณอย่างนี้มันมองกันคนระดับพระเจ้ากรุงศนชัยนั้นเข้าวปไทยแต่ว่าก็ทนกระแสไม่ไหวพระนางพุทสดีนั้น ก็อย่างที่บอกนะะคือถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยบารมีต่ตํากว่าเพราะว่าพระเจ้ากรุงศชัยในการต่อมาก็เป็นพระอระหันต์ในขณะที่บรรนางพุทธดีในการต่อมาก็เป็นเพียงประโซดาบันเท่านั้นและพื้นฐานตรงเนี้ยมันมันจะทําให้หน่วยย่อยเล็กๆภายในครอบครัวเนี่ยคือพื้นฐานในการเรียนรู้ปัจจุบันเนี่ย มันก็พอๆกันได้แต่วพื้นฐานจากบา ร, รมีธรรมในอดีตมันห่างกันแต่บางเรื่องบางกรณีเนี่ยสื่อสารกันไม่ได้ก็ทําความเข้าใจกันไม่ได้แต่ในสุดท้ายก็ต่อรองเรื่อยนะะพระนางพุทธดีจะขอให้พระนางวัตสีกัรหาชาลีอยู่ด้วยนวัตสีก็ไม่ยอมขอหลานนอยู่ก็ไม่ยอม แต่เป็นที่น่าสังเกตนะฮะว่าพระราชกุมา ร, รากุมารีคือการหาชาลีนั้นเข้าประทศไทยทั้งทางที่เป็นเด็กเนี่ยพูดจารู้เรื่องตลอดไม่เคยไปขัดแย้งอะไรกับพ่อเลยมันก็ทำให้มองถึงอะไรละมองถึงเรียกว่าบุเพกะตะปุญญาตาคือมีบุญได้กระทาไว้ในการกอนแล้วก็อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าบุเพสันนิวาสคืออยู่ร่วมกันมาเป็นพ่อแม่ลูกกันมา สร้างบรมีร่วมกันมาพระเจ้าทรงสแสดงแก่ท่านนากคุณรบิดานะคุณรมารดาซึ่งมากราบทูลถามถึงว่คนเราที่มีความรักใคร่ผูกพันกันแล้วก็เป็นสามีพัรยาการเป็นญาติพี่น้องกันเป็นพ่อแม่ลูกกันเนี่ยแล้วก็ปรารถนาจะเกิดู่กกันทุกภพทุกชาติเนี่ยทำได้ไหมพระเจ้าทรงสแสดงเหตุนะ คือว่าผลเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากเหตุถ้าคนเหล่านั้นศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันความเสียสละเสมอกันปัญญาเสมอกันมันก็เกิดร่วมกันได้ทีนี้เมื่อเกิดร่วมกันแล้วโดยพื้นฐานที่เป็นบารมีธรรมเนี่ยมันอยู่ระดับใกล้เคียงกันแล้วคนนี้จะสื่อสารกันรู้เรื่องนะฮะคล้ายๆกันเด็กเด็กก็ศึกษาชั้นมันไม่ห่างกันเกิดไป สามารถจะปรึกษาแลกเปลี่ยนกันได้เช่นว่ามสกับหม 5, ห้ามห้ากับหมหกอะไรเนี่ยวิทยาตรีปีหนึ่งกับปีสองสามารถที่จะถูกเชียงสามารถที่จะวิปรายกันได้แล้วก็ทำความเข้าใจกันได้เพราะเมื่อพระเวศสันดรถูกให้ขับเราลองสังเกตว่าทั้งครอบครัวของพระเวสสันดรสี่องค์เนี่ยไม่มีใครเดือดร้อนเลย ไม่มีใครรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตะหนกตกใจแล้วก็ได้อ้อนวอนอะไรไม่ร้องห่มร้องไห้อะไรเลยก็เรียกว่าประทศไทยเข้มแข็งมากแล้วก็ท่านก็แยกแยะได้นะฮะว่าราษฎรเนี่ยเขาขับเพราะการให้ช้างคือไม่ได้ขับเพราะว่าท่านมีความผิดอะไรอย่างอื่นเพราะฉะท่านก็ขอโอกาสให้สัตตดกมหาฐาน ถึงถ้าเราดูสิ่งที่นำมาให้ในสัตตดกมาทานมันก็แสดงเห็นว่าไอ้สังคมบางยุคบางสมัยคือเรื่องพระเวสสันดรในเราไม่รู้ม่าอยู่ยุคไหนะนะฮะก็ท่านบอกแต่อติิตเกเเท่านั้นเองก็แสดงว่าคนภายในแผ่นดินเนี่ยเป็นสมบัติของพระราชาคพพระราชาก็สามารถจะให้ได้ ให้ทาตทใหท้าสีให้กุ ม, มารให้กุ ม, มารีอะไรแต่ไห่ก็ให้ไปเยอะนะสัตว์ตลกมาทานเนี่ยให้เยอะเหลือเกินแต่ก็เป็นที่ยอมรับมันก็ทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าไอ้ค่านนิยมของยุคสมัยเนี่ยมันเราเอาความคิดสมัยหนึ่งไปชี้ไม่ได้ย่าในปัจจุบันที่เรามักจะป่าประรบเรื่องราวในอดีต เราก็ชี้ผิดชี้ถูกของท่านที่ท่านทำในอดีตเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์จะชี้แล้วตรงนั้นที่จริงเราก็ต้องผูกสมัครท่าน น, นะนะมาก็หลายปีมาแล้วยังนึกถึงคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งก็ไปพิพายกันแล้าท่านก็จมตีบรรพชนรุ่นสร้างกลุ่มลัฐนักโอสินเนี่ยนะฮะว่าบรรพชนของเรานั้นไม่ฉลาด ไปสร้างบ้านสร้างเมืองคือที่ราบลุ่มทำให้มีปัญหาน้ำท่วมกมระะกทมเรื่อยนะฮะก่อนก่อนสองหกเน้่ยน้ำท่วมเรื่อยหลยเนวพอเดียร์ตามาก็ไปปลาจะด้วยก็บอกว่าโยมคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกคือการสร้างเมืองเนี่ยเป็นข้อมูลในสมัยนั้นแล้วก็มีความเหมาะสมถูกต้องที่สุดในสมัยนั้น เพราะประเทศเรายัางไม่บั้นคงเศรษฐกิจ ก, ก็ไม่ดีการเมืองก็ยังไม่นิ่งนะแล้วค่าศึกเองก็มีกำลังแล้วก็จ้องจะทำลายเราถ้าเราไม่สร้างเมืองในที่ราบรุ่มอย่างนี้น้าก็ไม่สามารถจะช่วยป้องกันค่าศึกแต่ถ้าเกิดแผนอันตรายขึ้นมาเราก็หนีลำบากและป้องกันตัวเองก็ลำบาก มันเราจะเห็นว่ายุคสมัยมันห่างกันทั้งสองรอกว่าปีนะะเราจะมาตัดสินไม่ได้การให้ทานของโระเวิสันดรในยุคสมัยตรงนั้นก็เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นยุคสมัยของท่านใกล้ยๆกับคนรุ่นปู่ย่าตายหญของเรานะมีผัญญายโอะเคยพบกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่จริงก็อายุก็เยอะแต่แต่ว่าท่านใช้ใช้สัปนาม เป็นพี่ก็รีก็พี่มา ก, ก็อะไรก็เรียกพี่ก็คุยนะ่ะคุยกัฟังว่าเจ้าคุณพ่อของพี่มีลูกทั้งสามสิบแปดคนนะ <c oughs> ก็บอกว่านี่สิคือเวลาพ่อของพี่มีเมียมากมีลูกมากในพี่ก็ชื่นชมแต่พอผู้ชายยุคนี้เกิดมีเมียมากพี่ก็ด่าเขาแล้วก็แสดงมายุติธิรม แต่มันเป็นเรื่องยุคสมัยเห่นไมยุคสมัยหนึ่งเนี่ยเป็นที่ยอมรับยกย่องกันยุคสมัยหนึ่งก็มีการปฏิเสธหรือแม้แต่คราวสมัยจอมพลปคนที่มีลูกมากได้รับการยกยองแก่สังคมในสมัยปัจจุบันก็มีการวางแผนครอบครัวตรงนี้มันจัะชี้ผิดชี้ถูกอะไรไม่ได้นั้นเป็นเรื่องของยุคสมัยระยุคสมัยตรงนั้นท่านทาได้ แล้วก็ไปที่ยอมรับของสังคมสังคม ก, ก็มีความพร้อมที่จะทาที่ยอมให้เอาตัวเองไปไปบริจาคเป็นฐานนดะจึงก็พอเราคิดปัจจุบันเราคิดไม่ออกว่าบ้านเมืองในเขาปกครองกันยังไงว่าทำไมพระราชาจึงเป็นเจ้าของชีวิตของคนสามารถที่บริจาคให้ได้ แลยถ้าเรามองประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆที่มีการกระเกณฑ์ประชาชนออกไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นหรือบางทีก็ออกไปต่างเมืองต่างแ้นเนี่ยมันก็มีในสมัยโบราณทีนี้ในตอนที่ให้ทานของพระเวสสันดรในหลายตอนนะฮะตอนออกเสร็จสตดกมาทานแล้วจะออกเดินทางเนี่ยเราจะเห็นว่าให้จนจนไม่ได้เชื่อและคนขอก็ไม่น่าเชื่อ มันขออุตรุจจริงๆแต่พระไทยแช่ชื่นตลอดแล้วพระโอรสพระธิดาก็พร้อมที่จะเดินด้วยพระบาทในเมื่อพ่อคือสนับสนุนพ่อเต็มที่อันนี้คือคืออะไรคือว่าลูกพ่อพ่อแม่ลูกเนี่ยก็สร้างบา ร, รมีมาด้วยกันใกล้เคียงกันมาตลอดพูดจากันรู้เรื่องตลอดนั่นคืออะไรคือความเห็นมันอยู่เบื้องหลัง เป็นหลังจิตใจของมนุษย์ส่วนหนึ่งนะฮะคือวาสนาบา ร, รมีนี่แล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกันดูในปัจจุบันก็ลองสังเกตจนเลยไปจนถึงว่าตอนนี้ชูชกมาข อ, อการหาชาลีเนี่ยเขาไปสันดอนไปอธิบายให้ฟังว่าต้องช่วยกันมันเหมือนกับเป็นเหมือนสมเ่าทองที่จะนำพ่อเข้าไปสู่มรรคในพาน ลกูกถ้าลูกไม่ช่วยมันก็ไปไม่ได้ก็จากเด็กเล็กๆนะฮะร่าจากกุมารด้วกุมารีเล็กๆ ก, ก, ก, ก, ก, ก, ก, ก, ก็พูดจากันเข้าใจแต่ว่าทําไมบางทีบางครอบครัวจึงพูดจากันไม่เข้าใจนั่นก็เพราะว่าหนึ่งคือคือบา ร, รมีทําในอดีตนี่มันต่างกันแต่เหตุปัจจัยที่ให้มาเกิดร่วมกันเนี่ยมันก็บางทีไม่ใช่ดีเสมอไปนะะ เกิดจะมีจุดที่สามารถเกิดร่วมกันได้แต่ว่ามันก็กลายเป็นลูกประเภทที่ล่างพรานสกุลหรือลูกประเภททีเรียกอวชาตะไออวชา ต, าชาตบุตรตะบุตรมาพรานสกุลที่นี่เมื่อตอนที่ออกไปที่พวกพระเจ้าเจตราชพอรู้ก็แห่แห่นกันมาไลยเพื่อจะเชิญเสด็จไปพักอยู่ในเมืองของเขา ตรงนี้เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาและเจตจำนงของพระองค์ต้องการจะปร ะ, ประนวดทนะั่นก็ประการหนึ่งอนะฮะแต่ว่าเราลองสังเกตว่าในสถานการณ์ที่วิกฤตอย่างเนี้ยคือสังคมมันเกิดวิกฤตแล้วอันวิปริตถ้ า, ากว่าทางเจตราชเข้าไปอบุ้มคุ้มครองพระเวสดอนไว้และพระ เ, เวสวะเดอนก็ยอมเนี่ย มันจะไปเสี่ยงกับมติหมหาชนที่ขับไล่พระเวสสันดรแล้วอาจจะไปบีบบังคับให้พระเจ้ากรุงสนชัยมีความคิดหรือการกระทำเป็นปฏิปักษ์กับข่ายเจตราก็ได้วันทางที่ดีที่สุดก็คือป้องกันเหตุร้ายเอาไว้พระเวสสันดรรษาเจตมงุงแล้วก็ไม่ดึงปัญหาซึ่งเกิดขึ้นแก่พระองค์มั น, นีดวงให้แคบเข้า คือไม่ลากปัญหาไปให้เพื่อนพลอยรับความทุกข์ความเดือดร้อนแทนแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นลักษณะของ ก, กันกรยาณมิตรตีแสดงออกโดยพระเจ้าเจตราชพระเจ้าเจตราเป็นคณะกษัตริย์นะคือแสดงว่าปกครองแบบสามาัญคีธรรมปกครองแบบสภากษัตริย์อาการที่เรียกว่าเห็นกันเมื่อค่ายให้กันเมื่อทุกข์ ท่านก็แสดงความเป็นกัลยาณมิตรได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งก็เป็นแบบวิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่งว่าคนเราตามปกติแล้วเนี่ยพอฝ่ายหนึ่งประสบ ป, ปัญหาอีกฝ่ายหนึ่งมกักจะทอดทิ้งหรือไม่ใส่ใจไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ไม่รับรู้ที่โบราณท่านพูดว่าดีแต่ใช้ไข้าไมารักษาหรือว่าไม่เห็นกันเมื่อใค้ไม่ให้กันเมื่อทุกข์ไม่รู้จะพิสูจน์อะไรได้ เดี๋ยวพเจ้าเจตราชก็พิสูจน์แล้วก็แสดงว่ากัลยาณมิตรนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วจะต้องสละประโยชน์สุขตัวเองเพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นเพราะงั้นทั้งสองฝ่ายที่จริงก็เสียสละพระเจ้าเจตระราชก็เสียสละแล้วก็ประวชนดรเนี่ยก็ยิ่งเสียสละทีนี้เอก การมอบหมายคนทำงานเ็ยยังนึกน้อยใจท่านเจตบุตรกาจุตฤยมาคิดมาตั้งแต่อ่านตอนตอน้ตนๆคือว่ารู้สึกวิจารณาญาณอ่อนแล้วไม่เหมาะสมที่รับผิดชอบงานใหญ่ขนาดนั้นขนาดชูชคไปชูไอ้กรักใส่พริกใส่เกลือแต่นั้นเองนะฮะหลอกเจตบุตรนี่เชื่อพี่นอพไปเทาไปได้ คือมันจะต้องมีเหตุผลคือคนที่ไปทำงานในรัศละอย่างนั้นมันต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมากแล้วก็บางเรื่องเนี่ยคือเราจะเห็นว่าถูกขู่ให้กลัวเพราะแกก็เป็นชนชั้นการมาชีว์ก็ถูกขู่ให้กลัวแต่ต้องไม่ได้เปิดรูปไม่ได้อะไรต่อไรเนี่ยนะแล้วก็ไม่ให้พิสูจน์อะไรเลยซึ่งมันก็ไม่มีเหตุผลแต่ว่า คนยังเจตบุตรนี่เยอะถูกหลอกถูกต้มไปด้วยประการต่างๆไปอ้างคนนั้นคนนี้คนโน้นเพื่อขอความร่วมมือจากคนเหล่านั้นให้เป็นให้มาช่วยเหลือตัวเองเมื่ก่อนไปอบรมนักเรียนตำรวจแล้วก็มีคำถามเยอะอตอบนักศึกษานักเรียนไม่หมดก็มีนายตำรวจผู้ใหญ่ก็ถาม ก็ถามถึงว่าพอตำรวจเราเนี่ยพอออกไปจําการเนี่ยถ้าหากว่าผู้บังคับบัญชาไปดีบังคับให้ไปไถเงินชาวบ้านแล้วเพื่อมาให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยเห็นว่าควรทําหรือไม่ควรทําบอกว่าไม่ควรเป็นอย่างยิ่งแตเขาบอก ถ, ถ้าผู้ใหญ่ไม่ยอมพอกเราต้องแข็งสิเราสมัครมารับราชการนะไม่ใช่มาเป็นลูกน้องของคนเหล่านั้น แต่เป็นลูกน้องของแผ่นดินศักดิ์สิทในฐานะที่เป็นค่าของแผ่นดินเนี่ยเท่ากันค่าของราชการเนี่ยเท่ากันแต่มาการบังคับบัญชามันปฏิบัติได้เฉพาะคําสั่งที่ชอบทำแต่คําสั่งที่ไม่ชอบทำเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องรับแต่ว่าต้องแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันต้องต่อสู้อานาจอย่างนี้ให้ได้ไม่ใช่ว่านายแล้วก็ชี้นิสสั่งการใครได้อย่างนี้ก็แย่ เพราะว่าถ้าเกิดจับได้ไล่ทันขึ้นมาเนี่ยตัวเองนั่นแหละจะติดคุกสาวไปไม่ถึงผู้ใหญ่หรอเห็นไหมอิทธิพลอำนาทั้งหลายที่ใช้เนี่ยสาวมไม่เคยถึงประสีประส้อยก็ตายไปก่อนเพราะฉะนั้นไอ้การมั่นคงในหลักการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเจตบุตรไม่มั่นคงในหลักการ มีภารกิจห้ามเด็ดขาดไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนนั่นคือห้ามเด็ดขาดเพราะั้นในการที่ปล่อยให้ชูชกอ้างเป็นเทวดาจากไหนก็ตามมันมั น, ม, นมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วแ้วอุซา์ชี้ทางอะไรอะไรก็ไปกันใหญ่เลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสองกันคือจุลพลกับมหาพลเนี่ยมันสแสดงลักษณะทามภูมิศาสตร์พฤติศาสตร์ ท้องชินภูเขาลำธารสวยสว ย, สวยงามมากนะนันก็แสดงให้เห็นถึงว่าธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยถ้ามนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์เดี๋ยวก็สำนึกคุณของธรรมชาติมนุษย์ก็ได้อาศัยธรรมชาติธรรมชาติอาศัยมนุษย์ธรรมชาติก็อยู่ได้ เราว่าลาักษณะเหล่านี้อิงอาศัยซึ่งกันและ ก, กันเพราะฉ่นั้นถ้าดูพันธุ์ของต้นไม้ต่างๆในหน้าทึ่งนะฮะจุลพลก็แปลว่าป่าเล็กหมาพลก็ป่าใหญ่ทิ่ลึกเข้าไปก็เป็นความรู้ทางพฤิษศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ภูเขาต้นไม้ที่ตั้งต้นน้ำลำธานนรไน้อาไรการอธิบายได้พิสดารท่านอาจารย์ุลศีที่จริงก็เป็นนักปราชญ์ แต่ว่าพระเราเนี่ยมันเจอเหลี่ยมชาวบ้านแล้วก็แย่พระจุลสีก็มองแล้วก็เหมือนกับพระที่ถูกชาวบ้านไม่ดีก็ต้มนะคือพระนี่จะต้มง่ายมากเพราะว่าท่านมองคนอื่นว่าคิดเหมือนกับท่านท่านไม่ได้คิดช่อฉนใครหลอกลวงใครเพราะงั้นใครไปอะไรหลวงพ่อแล้วก็มักจะหลงทางเธือจะเชื่อเขา ก็หลอกขายยามัง่งหลอกบางทีก็หลอกไปยืมเอเครื่องใช้เอจัดนิมนต์ไปสวดมนต์ชั้นเพลงอะไรต่อไรเนี่ยเครื่องใช้ต่างๆที่จริงบางอย่างมันก็ไม่มีราคาค่างวดอะไรนะบางอย่างก็มีราคาอพวกก็ก็ โ, ก โ, กโมยเอาไปขายใส่เป็นตน้นเว้แนวตัวเนี้ยเห็นไหมว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยท่านก็หลงทางท่านอาจารุติศรีเนี่ย แล้วก็เป็นคนฉลาดนะแต่ว่าขาดความเหลียวถามหน่อยเดียวเท่านั้นเองลเล่าเสียเป็นดุเป็นตะอะไรนั่นคือคนที่รับผิดชอบในงานอะไรก็ตามที่รับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของคนส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีวิจรรารณญาณแล้วก็ไม่เชื่ออะไรง่ายเกินไปแม้จะขู่แม้จะใช้อะไรมาก็ตาม เพราะตรงนี้มันมันกลายเป็นบทเรียนหมดจะศึกษาได้ตลอดเรื่องราวของพระเวสสันดรถ้านํามาพิปรายนํามาวิเคราะห์ในแง่ของธรรมะเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพูดอีกเยอะนะจึงจึงจะจบได้แต่นี่ก็ต้องการจะยกมาให้เป็นตัวอย่างว่าในชาดกนั้นถ้าเรามองผ่านข้อความเหล่านั้นไปแล้วก็หาเจอธรรมะก็จะเห็นว่ามีธรรมะเป็นกุศลธรรมะกุศลธรรมะ ความผิดพลาดทั้งหลายนั้นจะเป็นอาการของ โ, โ, โรคลดลงเพราะงั้นทางท่านเจตบุตรอาจุรศรีเนี่ยเห็นว่าเขาครูให้กลัวก็ครูให้กลัวแล้วเขาล่อให้โลคคือท่านเหล่านี้ก็อยากอยากจะให้พระเวสสันดรกลับสงสารพระเวสสันดนรเพราะงั้นพอมีข่าวว่ามาเชิญสเสด็จกลับท่านนั้นเองเนะฮะ ก็ไม่ได้คิดเรื่องนื้นะแต่ว่นโลกนี้มันเป็นอย่างเนี้ขู่ให้กลัวยั่วให้อยากออสร้างให้เกิดความสับสนคือคิดไม่ทันแล้วเราก็จะไหลไปตามกระแสตรงนั้นต้งฟังทั้งหลายใต้โบปพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, ง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี